มาคุยถึงเรื่องเป็นมงคลกันดีกว่ายามเช้าอย่างนี้คุยเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องหลวงพ่อดีกว่าหลวงพ่อองค์นี้นี่เป็นหลวงพ่อที่หายจากเมืองไทยไปตั้งสิบปีแล้วไม่ใช่หลวงพ่อที่ไหนหรอกหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปปางนาคปกทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ก็ลวดลายแบ บ, บศิลปะแบบลบบุรีอายุประมาณแ800ดร้อปีนะ น, นะ เป็นภาพปางนาคปกที่มีความบูนคนพื้นเมืองผสมผสานบวกทางเหนือเน่ยเขาเรียกว่าถ้าเจ้าราม อ, อําเภอทุ่งเสี่อมจังหวัดสุขโข ท, ทัยถ้าแห่งนี้ก็มีความมืดมิดอับชื้นเต็มไปด้วยขี้ขังคาวที่ทับถมกันมานานสูงหลายร้อยเมตรทีเดียวเฉพาะขี้ขังขาวนี่นะแล้วฝูงคขังคาวที่อยู่ในถ้าเดียวกับหลวงพ่อเนี่ยเป็นล้าน ก็มีความผาสุกสงบรังคังคาวเหล่านี้ก็มีความผูกพันอย่างลึกลับมหาัศาจรรย์กับหลวงพ่อปางนาคปกคือหลวงพ่อศิลาเนี่ยยังไงเดี๋ยวกจะเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็อยู่ในถ้ำมานานแสนนานแล้วอยู่มาตั้งแต่เมื่อไร่ไม่รู้ต่อมาชาวบ้านก็อัญเชิญหลวงพ่อศิลาในถ้ำเจ้ารามเนี่ยเอามาไว้ที่วัดทุ่งเสเหลี่ยมเป็นเวลานา น, านถึงสี่สิบแปดปี อยู่มาได้ที่วัดนั่นี่ปีเข้าปีที่49ดึกสงัดของคืนวันที่29ตุลาคม2520คือ19ปีมาแล้วก็มีคนร้ายใจบาปหยาบช้าคณะหนึ่งไม่รู้กี่คนเข้าไปทำการจรุกรรมหลวงพ่อศิลาพาหายไปจากวัดอย่างลึกลับไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เป็นหลักฐานเลยชาวทุ่งเสลี่ยมที่เขารู้ข่าวต่างก็ตกใจ ตกตะลึงเสียใจร้องไห้กระงมไปหมดเพราะว่าหลวงพ่อศีลานี่เป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีอิทธิฤทธิ์อภินิหารเป็นสาร ะ, ะที่พึ่งอันสูงสุดของพวกเขานะอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังของหลวงพ่อศิลานี้ไม่ธรรมดาหรอกมีความแปกแตกต่างไปจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์อื่นๆเขาบอกว่าหลวงพ่อศีลาน่ะท่านมีเมตตากรุณา กว้างใหญ่ไพศาลแผ่ไปยังคนทั้งหลายไม่มีขอบเขตท่านก็จะอตอบสนองผู้ที่ไปกราบไหว้อ้อนวอนให้ได้สมความปรารถนาเสมอมีน้อยมากเท่าที่ว่าไปอ้อนวอนแล้วจะไม่ได้อะไรก็คงจะกรรมเยอะนะนะกิติศัพท์อันนี้ก็เป็นที่เรื่องลือไปทั่วสุโขทัยแล้วก็หัวเมืองฝ่ายเหนือ แต่ก็มีหลักอยู่ว่าผู้ที่ไปสักการะบูชาไปกราบไหว้ไปขออะไรก็แล้วแต่นี่จะต้องมีความคเคารพเลื่อมใสคือเชื่อในหลวงพ่อศิลาอย่างจริงใจความปรารถนานั้นถึงจะสำเร็จแล้วก็ต้องรักษาสัจจะวาจาที่ไว้กับท่านที่ให้ไว้กับท่านต้องรักษาไว้ให้เกร่งเชียว อ, อย่าเผลือลืมไปนานขาดก็มีคนหนึ่งที่เขาให้การเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็คือ าตาปะขาวคำ ม, มีชื่อคำ ม, มีแกบวชเป็นปะขาวคือนุ่งห่มสีขาวอยู่อายุตั้งเก้าสิบเจ็ดปีแล้วอยู่ภูท่าพระหลวงพระบางนะท่านก็ท่องเที่ยวสแสวงวิเวกตามป่าตามเขามาเป็นเวลาหลายสิบปีก็ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อศิลาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าตอนที่สร้างเนี่ยพระคณาจารย์บุรัน ที่สงนี่ได้ประกอบพิธีกรรมในการสร้างอย่างถูกต้องตามคำพียอย่างชนิดเรียกว่าเคร่งครัดขรุครังเอาจริงเอาจังไม่สุขเอาเผากินเหมือนกับการพุทธาพิเศษในรุ่นต่อๆมาหรอกนะเอากันอย่างจริงจังเฉวๆพาะ อ, องค์นี้องค์เดียวก็มาเหลือเกินแล้ว ท่านประเขาวคำมีเล่าว่าสมัยท่านยังหนุ่มก็บวชเป็นพรามณ์น้อยท่องเที่ยวอยู่ในป่าแถวพิษณุโลกสุขโขทัยล่มสักแล้วก็เคยได้เข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำเจารามเป็นเวลาหลายเดือนสมัยนั้นพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลานี่ยังอยู่ในถ้ำไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยเข้าไปเห็นน่ะพวกชาวบ้านที่เขาไปเก็บขี้คขังข้าวมาทําปุ๋ยเยอะแยะไปหมดก็ไม่เห็น ท, ทั้งที่องค์พระตั้งอยู่อย่างโดดเด่นแล้วก็มีพระพุทธรูปอีกหลายองค์เรียงรายอยู่ในถ้ำ พระพุทธรูปสำริดก็มีแกะด้วยไม้ก็มีพระทองคำก็มีหลายองค์ถ้วยโถโอชามเครื่องสังฆโล ก, ก็เยอะลึกเข้าไปก็มีถ้ำใหญ่แต่ว่าทางเข้าแคบพอลอดเข้าไปได้ทีละคนเท่านั้นแหละเป็นเทวะสถานของพวกขอมบูราณก็มีมหาสมบัติล้ำค่ามากมายแล้วต่อมาในตอนหลังทางเข้าถ้ำเนี้ยก็ปรากฏว่ามีหินก้อนใหญ่เลื่อนมาปิดไว้สนิทเจียวปิดไว้อย่างลึกลับคนเข้าไม่ได้แล้ว ก็ไม่มีใครรู้ว่าข้างในเนี่ยเคยมีถ้าสมบัติของพวกขอมสมัยรุ่งเรืองแล้วเกี่ยวกับพวกขัง้งข่าวในถ้าเจ้ารามเนี่ยตาปะขาวคํามีแก่เล่าให้ฟังว่าเป็นขัง้งคาวที่มีศีลชอบจําศีลภาวนาถ้าหากว่ามีพระทุดงเข้าไปสวดมนต์ภาวนาในถ้ำเจ้ารามอาจจะเป็นพวกพระทุดงบ้างพวกชีปะขาวบ้างหรือศีบ้างขัง้งคาวนี้มันจะไม่ทําความสกรปรกในถ้ำเลย พวกมันก็จะหยุดถ่ายอาไม่ถ่ายของสกรปรกลงมาแล้วก็ชอบฟังพวกนักบวชนักพรตมาสวดมนต์มีอยู่บ่อยๆที่ข้างขาวตกลงมาตายในขณะฟังพระทุดงสวดมนต์แล้วก็ท่องบนพระปาติโมกในถ้ำเนี่ยแสดงว่าข้างขาวนี่มีความดื่มด่ำทราบซึ่งในเสียงสวดจนกระทั่งตีนหลุดจากที่เกาะตกลงมาสิ้นชีวิตซึ่งตามคติแล้วข้างขาวนั้นก็จะต้องได้ไปเกิด เกิดใหม่ในแดนสุขติโลกสวรรค์ทีเดียวเพราะว่าตายในถ้ำกลางเสียงสวดมนต์ในวันพระนี่จะมีั้างขาวสีขาวเผือกฝูงหนึ่งบินเข้าไปในถ้ำเจ้ารามเนี่ยเพื่อจะทาสักการะหลวงพ่อศิลาอางค์เนี้ยแล้วก็เข้าไปอยู่จาศีลทั้งวันทีเดียวเป็นสีขาวโดยเฉพาะตาปลาขาวคำมีเล่าว่าข้างขาวเผือกฝูงนี่มีประมาณเจ็ดสิบตัว ใหญ่ขนาดไก่เนี่ยปีกยาวมากบินมาจากถ้าลึกสิบสองปันนาไม่ใช่ขังขาวธรรมดาแต่ว่าเป็นพวกกึ่งวิญญาณหรือว่าโอปาติกะหมายถึงสัตว์เดรัจฉานที่สร้างบา ร, รมีทางพระโพธิสัตว์มายาวนานจนสภาวะาธาตุธรรมนีบ่บรรดาลให้ธาตุขันแปรเปลี่ยนไปจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ใช่จะว่าเป็นวิญญาณก็ไม่เชิงสภาวะคล้ายๆกับพวกรับแล บ, บังบดหรืออะไรพวกนั้นนะถือได้ว่าขังขาวเผือกพวกเนี้ย เป็นสัตว์อิ ม, มพันต์มีริ์กำบังกายได้เป็นความลี้ลับในแดนแบบคล้ายคล้ายมิติที่สี่ซึ่งเต็มอ่เป็นไปด้วยอำนาจวิบากกรรมั้งคราเนี่ยมีความผูกพันแล้วก็เคารพนับถือพระพุทธรูปปางนาคปลกหลวงพ่อศีลานี่เพราะเหตุใดก็ไม่ทราบประขาวคำมีแกก็ได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ ที่อยู่ในป่าบอกว่าเป็นความผูก พ, พันระหว่างเทพเจ้าหรือว่าพรหมที่เฝ้าปกปักรักษาองค์หลวงพ่อศิลากับคัง้งข่าวนี่เป็นญาติธรรมอ่าสัมมาปฏิบัติต่อกันอ่าแต่การก่อนนั้นรูปเหตุที่พระพุทธรูปหลวงพ่อศิลาถูกพวกคนร้ายจรกรรมเอาไปขายให้ชาวต่างชาติก็สืบเนื่องมาจากเป็นวิบากกรรมของพวกคนร้ายที่เคยมีกรรมผัวพันกับเทพหรือว่าพรหมที่ไปเฝ้าปกปักรักษาองค์หลวงพ่ออยู่เนี่ย เพราะว่าพวกคนร้ายเหล่านั้นก็ได้ถูกกรรมตามสนองอย่างสาสมไปแล้วแล้วเป็นทุกคนเป็นหมดนะบางก็ตายหูงบางก็หงอยเปลี่ยเสียขาตาบอดบางก็พิกลพิการเป็นขี้ทูดกุดถังขอทานเขากินติ่ติดกุ๊กติดตารางก็มีไม่มีใครจะสามารถหลบหนีไปจากบ่วงกรรมได้เลยกดแทงกรรมคราวนี้เหมือนกับลูกธนูอาบยาพิษที่ปลิวว่อนมาเต็มไปหมดในท้องฟ้ามันพร้อมจบพุ่งปาดเข้าเสียบแทง คนชั่วคนบาปที่ทำงานนี้อยู่ตลอดเวลาทิเดียวลบไปไหนก็ไม่พ้นพระพุทธรูปหลวงพ่อสิาลาล่องหนหายตัวไปอย่างลึกลับด้วยน้ำมือของพวกเหล่าร้ายใจบาปไม่มีข่าวไม่มีวี่แววใดๆเลยเป็นเวลาถึงสิบแปดปีอ้าวแล้วหลวงพ่อไปอยู่ที่ไหนล่ะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วจะเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อไปอยู่ไหนมา ก็มีคนเห็นหลวงพ่อศิลาแต่ว่าเห็นในหนังสือครั้งแรกเลยที่ได้เห็นนี่นะหนังสือวัตถุโบราณของสถาบันอ่าโซเทมีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาเอาอ่ามาประมูลนะก็ลงเป็นข่าวมาก็อืมเขาก็ถ่ายรูปมาว่าหลวงพ่อเนี่ยโดนประมูลซะแล้วละ่ะไปอยู่อังกฤษนนผู้ประมูลได้ไปเป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ชอบสะสมวัตถุโบราณของเก่าๆพอ ร, รู้และทาเมืองไทยก็ได้มีการดำเนินการติดตามมาหลวงพ่อสิลาคืนก็ร้อยตำรวจโทชาวรินลัทธศักดิ์สิริอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ไปติดต่อทางมหาเศรษฐีอเมริกันผู้ครอบครองหลวงพ่ออยู่ก็เรียกร้องเงิน5ล้านบาท สองแสนเหรียญนี่นะเพราะว่าแกประมูลมาได้อย่างสุจริตมีกฎหมายให้ความคุ้มครองเขาอยู่ทุกประการนั่นเองจะไปเอาเขาคืนฟรีๆไม่ได้แล้วนะต้องว่ากันตามกฎหมายแล้วเพราะเขาประมูลได้มาถูกต้องทีนี้เงินตั้งห้าล้านนี่จะเอาที่ไหนล่ะไม่ยากอ่ะเงินสดจํานวนห้าล้านเพื่อไปแลกเปลี่ยนเอาหลวงพ่อศิลากลับมาเมืองไทยคราวนี้ได้รับอนุเคราะห์จาก คุณธนินเจียรวนลประธานกรรมการกลุ่มซ p พเนี่ยนะบริษัทซเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ท่านเป็นผู้ที่ได้นำเอาอหลวงพ่อศิลานิดให้กลับคืนมาสู่อ้อม อ, อยู่ในความเคารพสักการะนะของประชาชน ชาวไทยอีกครั้งหนึ่งร้อยตำรวจโทชาวลิน ร, ร, รัตศักดิ์สิริซึ่งเป็นผู้ดำเนินการติดตามค้นหาเบาะแสหลวงพ่อสิลาก็เล่าให้ฟังว่าจากการเข้าเจราจากับนายความของเศรษฐีอเมริกันคนนี้ก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ FBI เข้าตรวจสอบ เพื่อจะดูว่าหลวงพ่อศิลาองค์นี้ยเป็นองค์เดียวกับที่หายไปจากทุ่งสีเหลี่ยมหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวไปอืถ่ายคืนกลับมาแล้วเสียงเงินไปห้าล้านปรากฏว่าเป็นคนละองค์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบดูว่าเป็นพระพุทธ ร, รูปนาคโปรกองค์เดียวกันกับที่หายไปจากวัดทุ่งสีเหลี่ยมอย่างแน่นอนก็เลยร้อยตา ร, รวจโทจาวดินก็ทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับฝ่ายผู้ครอบครอง โดยระบุว่าทางไทยในยินดีจะนำเงินซึ่งเป็นค่าขนย้ายหนึ่งพันเหรียญคือประมาณ2 5 0หมห้าพันบาทเนี่ยมาให้แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยตรวจสอบหลวงพ่ออีกครั้งจนเป็นที่พอใจแล้วนะ่ะว่าใช่แน่องค์นี้นะไม่ได้ทำปลอมถึงจะมอบเช็คเงินสดจำนวนห้าล้านบาทให้กับเศรษฐีอเมริกันที่ว่าร้อยตารวจโทชาวรินเขาก็ย้าหนักแน่นว่า ต้องให้ตรวจสอบให้ถูกตรงตามรูปประพันธ์สันฐานทุกอย่างหน้าตักกว้างสี่บสามเซนความสูงแปดสิบหกเซนน้ำหนักสามรอยปอนแล้วองค์พระสิลาก็ยังคงสวยสดงดงามเพราะว่าผู้ครอบครองเขารักษาไว้อย่างดีและเมื่อวันที่สิบเจ็ดธันวาที่ผ่านมานี่ทางสถานกงศุนไทยก็ไดเอารถไปอัญเชิญหลวงพ่อสิลานำไปประดิษฐานไว ภายในโบูถ์วัดไทยที่ในลอสแองเจลิสเนี่ยแหละก็มีผู้คนไปคอยดูอยู่ประมาณสองคนซึ่งเป็นชาวไทยเพราะมันี้นิมนต์พระสิบรูปมาสวดชัยมงคลคาถาและประกอบพิธีเวียนเทียนแล้วก็ร่วมใจกันบริจาคเงินมอบให้วัดไทยอีกประมาณหมื่นบาท ในสุพจน์ธีรกเกาสันกงสุนใหญ่ประจํานครลอสแองเจลิสเขาก็กล่าวว่าตัวได้รับคําสั่งจากกระทรวงต่างประเทศให้ดําเนินการเรื่องหลวงพ่อศิลาก็ประสานงานทําหนังสือขอความร่วมมือกับทางรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ติดต่อกับเศรษฐีที่ว่าเนี่ยก็ดําเนินการกันอย่างเรียบร้อยแล้วอะ่ะเนี่ยไม่ใช่ปลอมเด็ดขาดละของแท้แน่แนเพราะคนระดับเชา้าอ่า มหาเศรษฐีอเมริกันที่มีชื่อเสียงเขาคงไม่เอาชื่อเสียงของเขามาจากการทําพฤติกรรมอย่างนี้นะพอที่ซื้อมาซื้อในชีวิตของเขาก็เขาก็จะเอาของดีๆแท้ๆ แ, แต่ปรากฏว่าเอาของปลอมไปให้คนอื่นอะไรอย่างนี้อนะ่ลักษณะอย่างนี้เขาไม่มีเขาไม่ทําหายไปยี่สิบปีเที่ยวบิน ที่771สายบินไทยจากสหรัฐก็มาถึงท่ากาศยานดอนเมืองเวลา2ทุ่มของวันที่20ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยาหลวงพ่อก็ถูกอัญเชิญลงจากเครื่องบินมาขึ้นรถของกรมการาศาสนาเพื่อให้ประชาชนได้วางดอกไม้กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปล้ำค่าองค์นี้ท่ามกลางชาวทุ่งสเสลี่ยม ห้าร้อยกว่าคนที่มารอรับกันอย่างแน่นขนาดน้ำตางหีหไหลพรากเยอะหลวงพ่อกลับมาแล้วอ่าไปทุดงซะสิบเก้าปีในสุภาพอานอาชาฝ่ายรักษาความปลอดภัยของพุทธมนทนก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้อัญเชิญหลวงพ่อสิลาออกจากสนามบินดอนเมืองเพื่อขึ้นรถมาประดิ ษ, ษฐานชั่วคราวที่พุทธมนทน เขาก็ได้เล่าถึงความอัศจรรย์ใจที่ได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาว่าสัมผัสแรกที่เขาได้อุ้มหลวงพ่อศิลาออกมาจากกล่องบรรจุนี่รู้สึกว่าองค์หลวงพ่อศิลาน่ะเย็นเชียบไปหมดทีเดียวแล้วความเย็นนี้ได้ถ่ายทอดสู่ร่างกายจนเย็นว่าไปทั้งตัวไม่ใช่เย็นเฉพาะแขนที่อุ้มเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกก็คือฝูงค้างขาวจํานวนมากมาบินวนบนอากาศเหนือสนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดปกติธรรมดานี่เขาจะ มีการป้องกันอย่างดีที่จะไม่ให้นกหรือว่าอะไรนี่มาแถวนั้นจะไม่มีแหละครับจะมีการทําลายอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะว่านกนี่เป็นอันตรายต่อเครื่องบินเขาจะไม่ให้มาวุ่นวายในบริเวณนั้นเป็นอันขาดแต่ปรากฏว่าก็มีครั้งข่าวอ่าฝูงหนึ่งมาบินวนอยู่ที่ดอนเมืองในวันที่หลวงพ่อมาแม้กระทั่งอัญเชิญหลวงพ่อศิลาขึ้นรถแห่มายังพุทธมณฑลแล้ว นวนทางไปนครปฐมเนี่ยเวลานั้นเป็นเวลาประมาณตีสามสมสิบในสุภาพอานอาชาที่ว่าเนี่ยเขาก็ยังบอกว่ามีฝูงข้างขาวมากมายมาบินวนอยู่รอบรอบองค์พระใหญ่พุทธมณฑลจนกระทั่งเช้าตรู่ข้างขาวถึงได้พากันหายไปซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏว่าจะมีฝูงข้างขาวมาบินวนเวียนเป็นชั่วโมงแบบครั้งนี้แต่อย่างใดก็นับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วสาหรับ อืขณะที่ตอนรับหลวงพ่อศิลากลับสู่แผ่นดินไทยคืนวันที่สิบเก้าธันวาเนะั่นตั้งแต่ตอนหัวค่ําวันนั้นชาวทุ่งสีเหลี่ยมทั้งหญิงและชายหนุ่มสาวเท่าแก่ที่เดินทางมาก็มารถตู้กันก็ปักหลักนั่งรอหลวงพ่อศิลาอยู่ที่หน้าอาคารรับรองพิเศษพร้อมกับผู้ถือรูปของหลวงพ่อศิลาแล้วก็ป้ายผ้ามีข้อความขอบคุณ ร้อยตำรวจโทชาวรินลัทธศักดิ์ศิริรวมทั้งขอบคุณบริษัทซีพีที่ได้ช่วยเหลืออัญเชิญหลวงพ่อศิลาสมบัติล้ำค่าของชาติไทยกลับคืนสู่แผ่นดินไทยใบหน้าของชาวบ้านแต่ละคนก็บ่งบอกถึงความดีอกดีใจที่ได้หลวงพ่อศิลากลับคืนมาแล้วจนกระทั่งเวลา ประมาณห้าทุ่มห้าสิบที่ใกล้เวลาที่เครื่องบินจะลงในตอนนั้นนะนะทุกคนก็ชะเง้อชะแงมองไปทางประตูห้องรับรองพิเศษแล้วก็อย่างว่าะทุกคนก็ได้เห็นว่าครั้งข่าวจานวนหนึ่งมาบินวนเวียนไปมาทำเอาชาวทุ่งสี่เลียมนี่ส่งเสียงฮือฮาขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นเนื่องจากตามประวัติหลวงพ่อศิลาเมื่อครั้งประดิษฐานอยู่ในถ้าเจ้ารามทุ่งสเหลี่ยม เมื่อหลายร้อยอ่าหลายร้อยปีก่อนแล้วก็ที่ทําเนี้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงข้างข่าวนับล้านตัวคือผูกพันกันมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วต่อมาเมื่อชาวบ้านอัญเชิญหลวงพ่อศิลาออกมาทาเจ้ารามมาประดิษฐานไว้ที่ทุ่งสีเหลี่ยมปรากฏว่าในเดือนสี่ของทุกปีพอทางวัดทุ่งสีเหลี่ยมจัดงานบุญสมโพธิคือฉลองหลวงพ่อศิลานี่เป็นประจําปีนะ่ปะปกติแล้วไม่มีมาหรอก แต่ว่าพอเดือนสี่ที่ว่าเนี่ยฝูงข้างข่าวก็จะมาบินว่อนวนเวียนอยู่ที่วัดพร้อมทั้งร่อนลงเกาะตามโบสถ์ตามวิหารจนกระทั่งถึงงานเลิกอัละมาตั้งแต่วันแรกแล้วก็กลับวันสุดท้ายจัดกี่วันข้าง ข, า, งขาวก็เกาะ อ, อยู่งั้นฮนะถึงจะพากันบินหายไปแต่หลังจากที่หลวงพ่อศิลาถูกโจรกรรมหายสาบสูญไปไม่เคยมีฝูงข้างขาวบินมาที่วัดทุ่งสเหลี่ยมอีกเลยนะ ที่ว่าเนี่ยนะนี่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังชาวบ้านเขาก็คอยอยู่ตอนนั้นที่ว่าจนกระทั่งถึงเวลาหกทุ่มยี่สิบเครื่องบินแตะพื้นชาวบ้านจากทุ่งเสลี่ยมก็รุกขึ้นไปยืนเรียงแถวอยูหน้าประตู ด, ด้วยความดีใจที่จะได้พบหลวงพ่อแล้วละ่ะจะได้กราบท่านอีกสักทีนึงหลังจากที่ร้อยตรวจโทรชาวรินแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจบก็อัญเชิญหลวงพ่อศิลาออกจากห้องแถลงข่าวไป ขึ้นไปประดิษฐานบนแท่นที่รถเขาประดับประดาสวยงามเปิดโอกาสให้ชาวทุ่งเสลี่ยมกับบรรดาผู้เคารพศรัทธาได้เข้ากราบไหว้บูชาวางดอกไม้ทูบเทียนกันอย่างใกล้ชิดก็นับว่าเป็นบุญบารมีเป็นอย่างมากทีเดียวครับถ้าในคำของอ ง, องค์สมเด็จพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าวะทรัพย์ของผู้ใดก็ควรที่จะเป็นของผู้นั้น เราก็ถือว่านี่คือทรัพย์สินของชาวพุทธซึ่งถึงจะสูญหายไปในลักษณะใดก็ตามตกไปอยู่ในมือใครกี่ทอดกี่เทก็ตามแต่ในที่สุดก็จะต้องกลับคืนมาสู่ผู้ที่เป็นเจ้าของคือชาวไทยทั้งหลายให้มีโอกาสได้กราบไหว้บูชากันสืบต่อไปช่วลูกช่วหลาน